อ่ะคุณสลัญญามา ก, ก่อนเป็นไงานาเป็นไงภาวนาเป็นไงตอนนี้เวลานั่งแล้วมันจะเป็นมันจะมีเสียงสงบส่วนแล้วมันก็มีเสียงอก็ดีแล้วคือเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเรจะเห็นว่าความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไปธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็สงบอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหว กระทั่งในเวลาที่กิเลสมาความเล้าร้อนเกิดขึ้นที่มีธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่เย็นเย็นอยู่ข้างใ น, นมันเย็นเย็นมันสงบมันสบายอยู่ข้างใ น, น, นะท่ามกลางความเล้าร้อนท่ามกลางกิเลสนะมันยังอยู่ได้เลยปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นนะเราจะเห็นในความเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปนะเหมือนจะเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นอกๆนะธรรมชาติอีกอันหนึ่งอยู่ต่างหาก ไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่จิตหรอกจิตมันเป็นคนที่ไปรู้เข้าแต่ไม่ต้องไป อ, อย่าไปแยกเยอะอย่าไปยุ่งนะอย่าไปแยกแยะมันเป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นนะคือคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะอินเข้าไปมันจะกระโจนเข้าไปร่วมด้วยนะแต่จิตที่มันฝึกอบรมมาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่นะมันจะมีความสงบมีความตั้งมั่น เพะฉนั้นในขณะที่กิเลสกํลาลังเคลื่อนไหวหรือความปรุงแต่งกํลาลังเคลื่อนไหวนะอความสงบตั้งมั่นนี้ก็ยังอยู่เพราะเราเรียกว่าเรามีจิต ท, ที่เป็นตัวผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเป็นธรรมดานะของคนอื่นไม่เกี่ยวนะมันเรื่องเฉพาะตัวธรรมะมันมีเรื่องเฉพาะตัวเยอะคนหนึ่งเอาไปทําของอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวเสียนะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็ต่างคนต่างเดิน ทางใครทางมันอาารย์มันีอีกแก๊นึงคือไอตัวสนุกเนี่ยมันไม่เหมือนจะทุกวันืมบางวันบางวันกยถ้ามันรู้สึกเหมือนมันหน่วงๆหรือมันมันหนักแรืวมีอะไรไม่ค่อยหยุดกางจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยใช่เป็นเดินอะไรเงี้ยถูกแล้วถ้าเมื่อไรไปจงใจดูจงใจกำหนดจงใจปฏิบัติไม่จะหน่วงๆขึ้นมามีของปลอมไปเปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนเป็นะยนทิ้งไปเลย เขาก็อื่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะไปดูใหญ่ตัวไหนหลวงหลวก็วเสียั้หมดเลยนะโดยจะเเพ้โยโย่นีได้ยินใครเขาทํากรรมฐานอะไรโย่ก็จะเอากับเข้าทุกงานอนะโย่เลยดีแล้วก็เสื่อมดีแล้วก็เสื่อมไปด้วยไงพวงโปหายยังดีขึ้นเยอะยังไม่หมดนะยังเหลืออยู่มีเหล็กไหมอ่าง่าย ดูได้บ่อยไหมกิเลสเกิดรู้ไวขึ้นไหมค่ะดีแล้ ว, แ, ลวลแต่ยังรู้ตัวไม่เต็มที่นะ้ํานยังตื่นไม่เต็มที่แล้วยังไปขี้เกียดสิ <c oughs> มีเจตนาไม่อยากรู้อีกอ <c oughs> มีแต่เขาอยากจะรู้กันทั้งนั้น <c oughs> แต่ว่าธรรมชาติของจิตธรรมดานะอย่างหลายคนอ่ะให้เจริญสติไปแล้วบอกไม่เอา มันยังอร่อยอร่อยกว่าโลกอ่ะอร่อยอ้่อยเคยเป็นไนหะขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยนะเดี๋ยวใค่ดูทีหลังนะใครดูเอานะเรือแล้วมีความสุขปฏิบัติแล้วมีความสุขนะไม่ได้ปฏิบัติให้มันทุกข์มากกว่าเก่าแล้วชีวิตมันก็มีความทุกข์มากอยู่แล้วไปปฏิบททัตนะิทำแล้วให้มันทุกข์เยอะกว่าเก่านี่ไม่ไม่ไมอําไหนเลยนะใครตอบไปใครมาต่อบไป อาคุณหมอเชิญอาดีาทีีรู้กเนี่ยมันมันดจะมีความคิดพัหนก็แยกได้ความคิดนนกก็ได้นะเพราะว่าหลวงปู่ดูลเคสอนเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดบางทีก็อาศัยการคิดเนี่ยทำให้รู้ขึ้นมาว่าไปคิดแล้ว ก็จะตื่นขึ้นม า, นาก็เป็นไปได้ขึ้นมาเป็นคนเป็นอย่างนี้ก็เยอะเอ็นตามรู้ตามดูไปนานๆมั น, นชักซึมๆ เ, เกิดฉเฉีียวใจคิดขึ้นมาเอ๊ะมันรู้ไม่รู้อะไรเกิดรู้ทันว่าไปหลงคิดก้าวนละ้วก็ตื่นขึ้นมาเลยคือเมื่อไร่เรารู้ว่าหลงคิดนะ่ะเมื่อนั้นเราจะตื่นเพราะงั้นความคิดจะเกิดขึ้นก่อนอความคิดมันเกิดแล้วเรารู้ว่ามันไปหลงคิดเราก็จะตื่นขึ้นมา นี่อาศัยคิดแล้วทำให้ตื่นขึ้นมาคือจริงๆก็คือถึงเราจะอาศัยไม่อาศัยนะจิตก็คิดจิตมีธรรมชาติชอบคิดแต่พอเขาคิดไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ห้ามเขานักปฏิบัติหลายคนพยายามห้ามไม่ให้จิตคิดอย่างนี้ปฏิบัติผิดจิตไปคิดก็ให้เขาคิดไปเราอาศัยการที่เขาคิดเนี่ยแล้วเราก็มารู้ทันว่าเขาคิดเราก็จะตื่นขึ้นมาใจมันจะตื่นโล่งสว่างขึ้นมา อย่าตอนนี้คุณหมอไปคิดแล้วทราบไหมแค่รู้ทันอย่างนี้แล้วมันจะตื่นเนพะื่ะนรู้รู้ว่าจิตไปคิดเราก็จะตื่นแค่นี้เองการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาจนชำนิชำนาญ น, นะสุดท้ายมเหลือสองนั่นเองเหลือรู้กับเผลอเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้ตัวเผลอไปมันก็ r e p เร s e n t อกุศลตัวรู้ก็ r e p r e s นต t กุศล ในที่สุดก็จะเห็นว่าทั้งกูสลทั้งอา ก, กูสนี่เกิดระดับทั้งหมดเลยงั้นเราจะเรียนคล้ายๆเรียนแบบมีตัวอย่างมีเคสตันที่แทนที่เราจะต้องเรียนสภาวธรรมทั้งหมดเลยพรนะพุทธเจ้าสอนให้เราเลือกตัวอย่างนะคล้ายๆเอาตัวอย่างของการปฏิบัติบางอันนะมาใช้ก็พอแล้วตัวอย่างของรูปบางอย่างตัวอย่างของนามธรมาบางอย่างแค่รู้ตัวอย่างศึกษาตัวอย่างนี้แจ่มแจ้งก็จะเข้าใจทั้งหมด คล้ายคนจะทําวิจัยจะสํารวจความคิดเห็นคนล้านคนเนี่ยเราไม่แจกไปเฉยๆล้านใบก็จะสุ่มตัวอย่างขึ้นมาถ้าตัวอย่างนั้นสุ่มถูกต้องมันก็จะสะท้อนภาพองค์รวมนั้นได้การปฏิบัตินี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ตัวอย่างของรูปบางอย่างตัวอย่างของนามบางอย่างถ้ารู้ตัวอย่างของรูปบางอย่างตัวอย่างของนามบางอย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้รูปนามทั้งหมดเลย อย่างรูปที่ประกอบเป็นร่างกายเนี่ยในตำราเรียนนหนูจะรู้ประกอบด้วยยี่สิบแปดรูปถ้าเราเรียนยี่สิบแปดรูปแล้วประสาทชินเลยเยอะไปไม่ต้องเรียนยี่สิบแปดรูปหรอกเรียนรูปอันเดียวก็พอเช่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นรูปที่เรียกว่าวินยตติรูปรูปเคลื่อนไหววินยตติรูปรูปอย่างเดียวหนึ่งในย8สบแดเท่านั้นเอง ถ้าเราเห็นว่ารูปที่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นรูปเท่านั้นก็จะเข้าใจรูปทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราดังนั้นในการศึกษาเนี่ยท่านจะเจาะเอาเรียนนิดเดียวที่เรียกว่ากายในกายเนี่ยเรียนส่วนย่อยๆเท่านั้นไม่ได้เรียนทั้งหมดหรอกหรือจิตในจิตเนี่ยไม่ต้องรู้จิตอะไรมากมายแค่จิตเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้คู่เดียวนะ ในแปดคู่ของจิตตาหรปัตสนามีแปดคู่เรียนคู่เดียวก็พอแล้ถ้าเรียนคู่เดียวก็คืออย่างจิตเผลอไปแต่จิตรู้สึกตัวไม่เผลอจิตทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้เองหรือบางคนเรียนในมุมมองแยกด้วยโทสะก็ได้จิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตทุกชนิดก็มีอยู่แค่นี้เองหรือแยกด้วยโลภะมุมมองของโลภะจิตมีโลภะกับจิตไม่มีโลภะก็มีแค่นี้เองก็ครอบคลุมจิตทุกชนิดแล้ว งั้นท่านสอนให้เราดูตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองงั้นอย่างเราเรียนธนะรรมะแนะนําพวกเราส่วนใหญ่ให้รู้จิตที่เผลอไปจิตที่มีโมหะกับจิตที่รู้สึกตัวถ้ารู้ตัวนี้ได้เราก็ไม่ต้องพูดเรื่องโลภะโทสะละเพราะโลภะโทสะเป็นลูกของโมหะเพราะงั้นถ้าใจเราไหลแวบเรารู้สึกไว้ไห ล, หลแวบรู้สึกเนะี่ยโลภะโทสะมีไม่ได้มีแต่โมหานเดียวพอรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดปัญญามันแจ้ง จิตอกุศลจิตที่หลงไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับห้ามก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลเนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นี่มันจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าในที่สุดจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยะสภาวะธรรมทั้งหลายก็ เ, เกิดแล้วก็ดับหมดเลยคนที่เห็นแจ้งอย่างนี้ก็คือพระโสดาบันนั่นเองงั้นคุณหมอไม่ต้องเรียนอะไรเยอะใจลอยเรารู้ไหวๆกันแล้วกัน ใจแอบไปคิดเรารู้ไวๆก็แล้วกันแค่นี้พอรับรองพอแน่นอนนะไม่ต้องเรียนเยอะหรอกเรียนเยอะอย่างนั้นหนูเรียนเยอะเรียนเยอะยุ่งเยอะนะอ่าส่งขันบ้านหนูรู้สึกว่าการเดินตรงนะคะการนั่งสมาธินหับกาืนให้วิยธรรมใช่ใช่นะ เลยก็รู้เองใช่ใช่ใช่ใช่อใช่นะอย่างนั้น่ถูกแล้วแต่ว่าไม่ใช่จงใจอยู่กับวิหารธรรมแต่เราจารที่เรามีตัวตั้งไว้ตัวหนึ่งเนี่ยเพรามันคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เราตั้งไว้มันก็จะรู้ชัดงั้นเรามีวิหารธรรมคือมีเครื่องอยู่ของจิตอันหนึง พอจิตคาดเคลื่อนไปนก็จะเห็นชัดแต่ว่าเราไม่ใช่เอาวิหารธรรมเนี่ยมาเป็นคุกขังจิตเอามาเป็นแค่เครื่องระรึกเท่านั้นเครื่องลารึกเครื่องอยู่อย่างเครื่องอยู่ก็เหมือนจะอยู่บ้านเวลาเรามีธุระเราออกจากบ้านได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตนี่จะเคลื่อนไหวทํางานตามธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าอยู่แบบคุกเ่วนใหญ่ก็พวกนักปฏิบัติชอบหาอารมณ์นึงมาบังคับให้จิตนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหวห้ามเคลื่อนไหวแล้วมันจะแสดงใจรักได้ยังไงไ ม, ไม่ไม่บังคับมันให้นิ่งอยู่เหมือนอยู่บ้านไม่อยู่เหมือนอยู่คุกมีธุระก็ออกไปได้ตลอดในการปฏิบัติจะสบาย่ตูตอนนี้ยังประครองอยู่นิดนึง <c oughs> ยังไม่หมดนะยังมีการประครองดูออกไหมอย่างประครองก็คือ ยังพยายามไม่ให้ออกจากรั้วบ้านใจ <C> นะไม่ถึงกับกำแพงคุกนะแต่เป็นรั้วบ้านก <C> ็นะเป็นรั้วปโปร่งนะแต่ยังมีรั้วนะดู อ, อับไหมตอนนี้เผลอและรู้สึกไหมขนาดจิตนี่เผลอแล้วเริ่มทําละรู้สึกไหมเริ่มประคองะและ้ยตรงเนี้ย คือรู้ว่าโปร่งๆพี่ว่าตรงที่ยังจับของไว้ให้ใครมาต่อใครทีมที่สามเดี๋ยวจะว่าไม่ยุติธรรมเอากลุ่มที่สามกลุ่มที่สามาไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วไล่เอาเองนะคุณกบเชิญจิตเป็นไงช่วงนี้จิต พยายามกระดุกกระดิก ھ. เคลื่อนไหวเดินจงกรมอะไรเงี้ยมีประโยชน์นนะพยายามทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวนะกรรมฐานเคลื่อนไหวเนี่ยทำแล้วดีกว่ากรรมฐานิ่งๆนะกรรมฐานนิ่งๆทําแล้วมันจะเคลื่ง่ายหลงง่ายเนะนั้นเราทํากรรมฐานเคลื่อนไหวเช่นร่างกายเรากระดุกกระดิก ھ, เราคอยรู้สึกนะถึงเราไม่มีเวลาไปเดินจงกรมแต่เวลาเราเดินปะกติเราก็ค่อยรู้สึก คือเดี๋ยบปล่อยให้ใจเรามีปิดเที่ยวเพลินๆคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจแต่ว่าไม่ใช่บังคับกายบังคับใจไม่ใช่เพ่งแต่คอยรู้สึกเราถ้าเรารู้สึกเนืองๆนี้ยตื่นขึ้นตื่นขึ้ น, นดลีละละ่ะใช้ได้คุณเรลิมพงเป็นไงจิตขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้ ดดอกไหมมีโมหแะแทรกนะดีแล้วีแล้ ว, ลวที่เห็นมีโมหะแทกนิดหน่อยนะบางๆอ้าวอาจารย์หมามาทั้งปูทั้งตูเลยวันนี้อ้สองคนจะเรียกสับกันได้เลย <c oughs> อ้าวอาจารย์อาจารย์รยตูอ้ <c oughs> อาวก็นะกิเลสมันแต่ว่าเศร้าหมองมันหมอง มันมัวมัวมีเห็นอะไรนะมเห็นความมืดกับความสว่าง่เออนั่นแหละดูเป็นงั้นก็ได้นะมืดก็ไม่เที่ยงสว่างก็ไม่เที่ยงธรรมะที่เป็นคู่คู่เรียนรู้ธรรมะที่เป็นคู่คู่จนมันค้นจักธรรมะที่เป็นคู่คนเองนะ ให้เเห็นไปเลยเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเลือกไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ดูไปอะไรก็ได้แม้กรรมฐานหลวงพ่อใจดีที่สุดเลยใครอยากทากรรมฐานอะไรไม่ว่าเลยนะขอให้ทาเท่านั้นแหละให้คอยรู้บางทีิตมันก็ไปคือมันก็เหมือนกับว่ามันพอที่จะรู้สึกแวามก็ไหลลงไปที่นนันั่นแหละนั่นแหละเขาสอนธรรมะเรา อย่างความพอใจก็ไม่ได้เจตนาพอใจเขาก็พอใจของเขาเองเขาจะไหลเขาก็ไหลของเขาเองดูออกไหมเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เขากาลังสอนธรรมะเราแต่เรายังไม่ยอมรับเรายังอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากบังคับให้ได้ของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้มันสุขเห็นไหมของบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้ใจเรายังไม่ยอมรับธรรมะเฉะนั้นต้องรู้ต่อไปอีก รู้ไปเจอกระทั่งมันยอมจำน่นะนะหมดภูมิปัญญาที่จะต่อสู้เลยนะเรียกว่าสู้จนหมดแรงอะ่ะเพราะแน่นอนเพราะโลกนี้ไม่ใช่สุขแน่นอนเพราะงั้นรู้ไปนะรู้ไปรู้จนกระทั่งหมดแรงดิน้นคนไหนจิตมีกําลังมากดิ้นมากก็ทุกมากหน่อยต้องทรมานนะทุกจนกระทั่งจิตมันเข็ดขยาดมันก็จะหาทางหนีตลอดเวลานะ หนียังไงก็หนีไม่รอดนะถึงวันหนึ่งมันจะยอมเอ้ช่างมันเถอะเป็นอะไรก็เป็นไปนะตรงที่มันยอมอ่ะตรงที่มันยอมเนะี่ยมันจะเข้าถึงคำเพราใจมันเลิกดิ้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยทุกต่อไปดิ้นไปเถอยังไงก็ช่วยไม่ได้บางคนโดนอะไรนิดหน่อยทุกนิดหน่อยก็เข็ดขยะดแล้วยอมจิตบางคนมันดื้อ ต้องทรมานพุยวจ้าเคยสอนบางคนการฝึกคนเนี่ยท่านบอกเหมือนกับฝึกมา้าม้าบางตัวเชื่องจิตบางคนเนี่ยอ่อนโยนเชื่องม้าอย่างนี้ท่านก็ให้กินหญ้าให้กินน้ำให้อะไรนะให้พักผ่อนถึงเวลาพาไปวิ่งก็ฝึกได้ดีม้าบางตัวพยศมากให้อดน้ำอดหญ้าพาไปจากลำจนเป็นเข็ดขยาด เราเลือกไม่ได้นะฮะจิตของเราอ่ะมันจะเป็นม้าดื้อหรือมันจะเป็นม้าเชื่องเลือกไม่ได้หรอกไม่ยอมมันไม่ยอมเพราะงั้นมันต้องสู้กันไปจนสุดฤทธิ์สุดเดชถ้าใจถึงก็สู้ไปวันหนึ่งก็พ้นใจไม่ถึงเจอความทุกข์เข้าเข็ดขยาดมาคนเข็ดนะบวกไม่ปฏิบัตินะมาเห็นจะทุกข์ขนาดนี้เลยมาปฏิบัติทำไมทุกข์ขนาดนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งนะสติเกิดอัตโนมัติเนี่ยไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้นะ มันปฏิบัติของมันเองถึงจุดเนี้คล้ายๆถอยกไม่ได้นะเอจะไปต่อก็ชนกําแพงนะก็ชนอยู่อย่างนี้แหละะชนจนทะลุไปได้โอ้จริตนิสัยคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันน่าสงสาร <c oughs> จิตมันดือ้อจิตมันดือ้อเห่นไหมตัวจริงเราไม่ค่อยดื้อนะจิตมันดือ้อเห็นไหม อ๋อเหรอลวงพออุตสาห์พูดเอาใจอ่าแต่พอมันทุกข์มากนะให้ดูอย่างนี้นะดูที่ใจใจเนี่ยไม่เป็นกลางนะงั้นพอมันทุกข์มากๆให้รู้ทันที่ใจที่ไม่เป็นกลางเพราะใจเป็นกลางนะทุกข์แค่ไหนก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยดูอย่างนี้นะเดี๋ยวจะได้ผ่านไปได้ ง้เฝ้ารู้ไปรู้ไปเป็นใจเป็นกลางใจเป็นกลางหมดการดิ้นรนงั้นมันดิ้นไม่เลิกอ่ะจำได้ไหมเดี๋ยวจะทุกข์เยอะไปให้รู้ทันใจที่มันไม่กลางนะอาจารย์ปู ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกตัวไหมขณะจิตนี้ อ, อ, อ่าคุณเขรู้ทันไปนะ <c oughs> เดินแค่ไหนเหรอมีธุระจะเดินเราก็เดินแค่นั้นแหละ <c oughs> เรามีธุระจะนั่งเราก็นั่งแค่นั้นแหละ <c oughs> มีธุระจะนอนก็นอนแค่นั้นแหละนี่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เอ็กซ์ไซ์เดินไปเดินมาเสอนไหวไว้แก้เสื่องซึมนี้เดินก็เดินเพื่อจะคอยรู้ใจตัวเอง เดินไปแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเดินแล้วใจเข้าไปเพ่งเพ่งร่างกายก็รู้ทันเหลอไปก็รู้เพ่งไปก็รู้นะเดินเพื่อจเจริญสติไม่ได้เดินเดินถึงเมื่อไหร่หรอกนะ <c oughs> เดินไปจนขาดสติแล้วก็รู้สึกเอา <c oughs> อย่า ก, กังวล น, นะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกมันคือเส้นผมที่บางขูดเขานิดเดียวยงแต่ใจของเรามันดิ้นไม่เลิกนะมันคิดว่าจะทําให้ได้ มันจะเอาให้ได้มันเอาไม่ได้การปฏิบัติทำไม่ใช่มุ่งที่จะเอาให้ได้ไม่ใช่มุ่งที่จะทำให้ได้แต่มุ่งเรียนเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้หรอกกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติไม่อยากให้จิตนี้มีความสุขถาวรอยากให้จิตนี้ดีถาวรเราก็จะดิ้นไปเรื่อยๆ ทำยังไงก็ทําไม่ได้หรอกมันจะดิ้นไปจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงว่าทําไม่ได้หรอกนะตรงที่มันอยอมรับความจริงเนี่ยมันจะวางปล่อยวางความยึด ถ, ถือกายปล่อยวางความยึด ถ, ถือจิตความพน้นทุกข์เกิดขึ้นซพะ ป, ปล่อยวางความยึดถือขันนะความพน้นทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ใบบังคับของไม่เที่ยงให้เที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้สุขของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้ความไม่รู้ของเราเนี่แหละทำนะให้เราต้องดิ้นรน ฝืนธรรมชาติจิตเป็นของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์อยากให้เป็นสุขดังนั้นความพ้นทุกข์ไม่ใช่เกิดจากการฝึกจนมันดีถาวรมันสุขถาวรความพ้นทุกข์อยู่ที่เราไปเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงว่าขันห้านี้ไม่สุขหรอกไม่ดีหรอกวางลงไปก็พ้นทุกตรงนั้นศาบใรที่ยังเห็นว่าจิตนี้เป็นเรานะอยากให้จิตมีความสุข ก็จะต้องดิ้นไปเรื่อยๆคนโง่ก็ดิ้นอย่างโง่โง่คนฉลาดก็ดิ้นอย่างคนฉลาดคนโง่ดิ้นยังไงคนโง่อยากให้จิตนี้มีความสุขดิ้นหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองให้จิตเรียกว่าดิ้นหากรามคูณอารมณ์มาตอบสนองมันดิ้นไปหวังว่าได้อารมณ์ที่ดีแล้วจะมีความสุข แต่เมื่อมีตาเมื่อมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเนะี่ยมันไม่สัมผัสเฉพาะอารมณ์ที่ดีสัมผัสอารมณ์ที่เลวด้วยพวกที่ฉลาดขึ้นมาหน่อยก็เลยคิดว่าถ้ามันสัมผัสแล้วเรารักษาจิตของเราไว้ได้มันจะมีความสุขเพราะงั้นพวกที่สองเนี่ยจะฝึกเพื่อควบคุมจิตตนเองพวกแรกหลงตามกิเลสไปเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารความปรงแต่งฝ่ายชั่ว เรียกว่าการมาสุขันนี้การนิยโยกการสุดโต่งในฝ่ายเที่ยวสแสวงหาอารมณ์สนองกิเลสพวกชาววัดทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยดิ้นรนที่จะบังคับกายบังคับใจเรื่องอัตตะกิลมัรฐานนิโยกฝึกบังคับตนเองคิดว่าถ้าบังคับจิตไปได้ดีแล้วถึงคนมาด่าเราก็ไม่โกรธเราก็มีความสุขเนี่ยแต่ว่าลืมไปอย่างหนึ่งว่าจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้จริงหรอก ถึงบังคับไว้ได้วันหนึ่งก็หมดแรงบังคับถึงเป็นปลอมนะอายุหมื่นกับสุดท้ายก็บังคับไว้ไม่ได้นั้นยังไม่ใช่ทางอีกพวกหนึ่งฉลาดมากกว่านี้อีกเห็นว่าถ้าจิตยังต้องรับรู้อารมณ์นะก็ยังต้องกระเทือนต้องคอยรักษาจิตยังเป็นภาละอีกพวกนี้หลีกเลี่ยงการกระทบเลยนะเขาเรียกว่าอาเนชาที่สังขารความตรุงแต่งในทางที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบ ไม่ต้องกระทบอะไรแล้วจะได้ไม่กระเทือนจะได้มีความสุขพวกนี้เข้าอารมประชานหรือไปฝึกเป็นปุ่มลูก ป, ปักจะได้ไม่ต้องกระทบอะไรนี่ก็ไม่ใช่ทางนะเพราะว่าวันหนึ่งมันต้องเคลื่อนจากตรงนี้กลับมาอยู่กับโลกธรรมดานี่ทางที่เป็นทางที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้นะหันมาเผชิญหน้าเลยความทุกข์อยู่ที่ไหนเผชิญลงไปที่นั้นความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายความทุกข์อยู่ที่จิตรู้ลงที่จิตไม่ใช่ดูเพื่อให้ให้มันหายทุกข์นะ แต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้แหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีเลยถ้ารู้แจ่มแจ้งนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์ได้พระโสดาล้วเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเฝ้ารู้เข้าดูต่อไปอีกมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดพิ้งมันจะคลายความยึดถือเหมือนแต่เดิมสมมติเรารู้เราไปหยิบอันหนึ่งขึ้นมาเรารู้สึกนี่ของดีของวิเศษของเรานะเราหวง วันหนึ่งหันมาดูอ๋อนี่เป็ น, เ ป, นเป็นกิ้งกือเว้นไสเดือนเลยเนี่ยมันจะกว้างทิงจิตนี้เหมือนกันนะเราจะยึดถือจิตผู้รู้ของเราไว้อยากประคองอยากรักษาจิตให้ดีสาวนะ่ะวันหนึ่งเฝ้ารู้เข้าดูไปจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวดีหรอกมันตัวทุกข์จะวางพอวางแล้วความสิ้นภาระก็เกิดขึ้นพระเจ้าสอนขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปเนี่ย เขาไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระริยเจ้าวางของหนักลงแล้วนะไม่ปหยิบฉวยของหนักขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะงั้นเราไม่มีทางเลือกทางอื่นเราไม่มีทางเลือกให้เลยเพราะทางเลือกสามทางที่มนุษย์รู้จักกันนะไม่ใช่ทางพน้นมันเป็นทางหนีชั่วคราวเท่านั้นเช่นไม่สบายใจก็ไปดูหนังสบายใจชั่วคราวจิตใจวุ่นวายนั่งสมาธิ สงบชั่วคราวมันยุ่งนะักนอนหลับให้ลึกๆไปเลยไม่รู้อะไรเลยมีความสุขชั่วคราวมันหลีกเลี่ยงการจะพบแล้วเข้าสมาบัติท่านสูงไม่เป็นค่้คยๆนอนหลับอย่างเงี้ยหมดความรู้สึกไปนะก็ไม่มันพ้นผู้ไปชั่วคราวแค่ชั่วคราวนะมีคนมีปัญญาก็าไม่นอนใจต้องสู้นะไม่สู้ก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะสติเกิดขึ้นเองละ คนทั่วๆไปสติยังไม่เกิดขึ้นเองแกล้งทะเลทลายได้แกล้งไม่ปฏิบัติได้แต่ถ้าเราฝึกไปจนสติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยไม่มีทางหยุดเลยนะหยุดพักไม่ได้เลยตะลุมบอลทั้งวันทั้งคืนนะทางหยุดพักมีทางเดียวก็คือการเข้าสมาธิ ท, าธาทําสนะมถะใน้พักผ่อนไม่ง้นจิตใจว้าวุ่น ไหว้าระสวดมนต์ก็ได้นะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์นะให้เกิดกําลังใจครูบาอาจารย์เมื่อก่อนก็เหมือนเราเนี่เองล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเวลาเหมือนกันไม่มีใครนะลอยฟ้ามาตรัสรู้ไม่มีหรอกนะมีแต่ล้มลุกคลุกคลานมาทุกคนแหละนะทําไมเขาผ่านได้เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเหมือนกันนะเยฝึกอบรมใจสอนใจให้มันแข็งแรงนะอย่าท้อแท้ พอนะใจแข็งแรงขึ้นมาคราวนี้จะโดดเข้าสู้ครั้งใหม่นะสู้จนสบับกสบอมนะหมดเรีย่ยวหมดแรงซ้ําแล้วซ้ำอีกจนะิใจมันยอมนะโอ้ไม่ใช่ตัวเรานะบังคับไม่ได้จริงๆสู้ไปช่วยไม่ได้ <c oughs> ตัวใครตัวมันนะจันปูรู้เรื่องอยังจิตเป็นยังไงจันปูขนานี้ รู้สึกไหมยังไม่รู้ตัวยังไม่ตื่นนะโอ้ตอบ ถ, ถูกใจหลวงพ่อมากเลยในโลกไม่มีคนตื่นหรอกไม่ใช่แกล้งว่านะบางคนนึกว่าหลวงพ่อแกล้งว่าแกล้งตําหนิแกลง้กลงรับไม่ได้แกล้งว่าเลยพูดยันซื่อเลยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกน้อยคนหรอกที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเมืม่อใดเห็นสภาวธรรมตรงความเป็นจริงนะเมื่อนั้นถึงจะรู้สึกตัว อาจารย์สุจินสอนเวื่ออาจารย์สุจินบริหารมันอาทิตอย่าเพิ่งรีบปฏิบัตินะหัดรู้จักสภาวะไปแต่เขาเรียนปริยัตนะิเขาเรียนสภาวะจากปริยัติเราเรียนจากของจริงเช่นใะจลอยไป ร, รู้ว่าใจลอยทันทีที่รู้ว่าใจลอยก็จะตื่นขึ้นมานะกโกรธขึ้นมาแล้ว ร, รู้ว่าโกรธก็จะตื่นขึ้นมาคอรู้ไปรู้สภาวะไปนี้สร็จเราจะตื่นขึ้ น, น, นตอน น, นนี้ยังไม่ยอมตื่นนะวันนี้วันนี้ฝนมันตก